ถ้าทำอรเันก็ได้มยังไม่ได้จาคนท่ัน้าเคยฟังมาแล้วก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะไม่ฟังก็ได้่ผ่คนที่อหารสรจใวทุกคนทำได้ในชีวิตนี้้องมมังเต้อง เราฟองอาจารย์เองเท่านั้นต่เาม่บแบบนี้ที่จะพูดวันนี้เลยไม่พูางนั้นราฟังโดยหมายถึงอะไรเราไม่ เ, เข้าใจหรอกเป็นภาษาอื่นเราไปสนใจเรื่องศาสนาคนอื่นเรื่องัสนธรรมรืรอศาสนาจินหรือศาสนาไครก็ไม่รู้ เ, เนี่ย เดวพระพุทธเจ้าสอนอ่นเดียวนั้นอานดเรื่อง่ัเดียวกันทีเได้ยิได้ฟังมาว่าเจ้าสอนเรื่องและการที่จะมุ่งแก okay. ้นนปัญหาเลยุดไปพูกันไตอน้คนเลยมาพูเรื่องพระพุทธเจ้าสอนเป็นใจหรือ่านุญาตต็มมีพวกสมุทไทยดีโรดนะสอนอย่างน้ แต่วันนี้ถึง ไ, ได้พดอย่าง้บาคนจะหาาพูดไม่มีสระจะเป็นอย่างก็ได้แต่คนพูดาึื่างขอัก็เลยดึยงม า, างกรทำอิคิทธิจะรุ่งที่เดียบอย่างที่คุณควิตเคยได้ศึกษาหลักวิชาการทางโลกคนนี้และศึกษ า, าทางธรรมี้เ่าาพวกเราอยท ก็เป็นผู้สนใจในหลักธรรมะถาธรรมะธรรมะเนี่ยมองไปซ่อมหาในตู่ในโต๊ะในตู้เย็นในตัวหนังสือหรือในรูปแบบเราะนั้นถ้าเป็นธรรมดาคนยังไม่เข้าใจตัทธร่มะมีหลายตัวทุกคัวนันแหละผู้หญงเขาเป็นธรรมะผู้ชายเขาเป็นธรรมะท้าตัวเองก็เป็นธรรมะ เป็นเลเศเป็นทจิตพกา์กษาเป็นธรรมะนั้นที่จะนเาไปันน่็นไปดเนใครๆก็ต้องปลกลรงสรงาเราสุเั้องวมเร่ามดย้งอม่าดแ้่คุรควัดเรื่เรื่องขดแย่องวเร่อาเรมสุข้ราสเ่ามแเรวมสขคาั้เรอาวามขแย้ มันเป็นหุ่นใจฟังผู้อื่นไปพวกผู้อื่ก็เห็นเขาไปชมเขาไปตาไปแล้วแล้วเขาจะได้กันคุณต้องเข้ากาทันทุกนนกันแต่คนได้อน ก็ต้ยก็อทายยืออยัวตรตอ่ี่ายวอีตายตัวตายอยัายตาตายตัวตอัายตอยตายตัีัยวอทาอี่ยอายอที่ายตีออยู่ต่อยู่ัที่่าย มาเอคยพูดพอไว้เพื่อนเพื่อนงคนอาจจะเกิดข้นคาจริงจริงหาจง นีเรกทําอง้นี่เ็รืองนทัศนนั้นห็นว่าหล่อสวยจรกงๆข้คือําพูดให้ออกมาตอนที่จะพูดก่อนี่จะทําเอใจใจเดียวใจสั่งให้ยก่ที่ทาใจสั่งให้คาพูดที่พูดออกมาของอย่างนี้มาจากใจทำดเรียงง่ายๆนะครับ โดยวิธ like ีที่จะทำให้รู้สึกถึงสภาพภาวะเข้าสู่โภชนาการได้นั้นทำโดยวิธีใดทำทิกปกติทำงานหะไรสังเกตให้ทานลักษณะรึงทั้งอ่าแบบนี้เลยอย่างชัดเจนถ้าไม่จะวิธีนเราจะเอาวิธีไหนเข้ากันเข้ากันนะจะไห ม่ดีตรงนี้อาจจะไม่เคยดารผู้นี้อาจจะไม่เคยฟังเขาได้เพราะว่าที่นี้วันนี้ก็ต้องพูดอย่นี้กรถามตัวสิโตกับอาจารย์ที่รักมาตอบ้ไเลย to the army มัน้สเงแล้วมันเป็นเองรวมเป็นเองเยไม่ต้อไปทาอะไรแต่ว่ากับเพื่อไหลโดยวิถีภาษาจะไปข่ามให้เราเลือกติใจมันคิดเราชอบมาหันโจมไม่อยากให้ใจเันคิดจบแล้วแต่ขัดท่าทางปอย่แล้วนน้นครมานธมกคิดไปถึเ่อไหร่เราไปรู้ออกมเือตร้ในสุนรที่เราคิด คิดนั้นคือเรื่องของมุขสุดท้ายทำไมเพื่ออะไรทำมเวมตองการ ที่ไหนที่จันตกลงไปท่านก็จะเห็นเป็นตกในคนบ่อนทสิดจริงๆรับรองได้ว่าหน้าที่มันตกลงท่านี้มันก็ต้องเห็นทุกท่านเลยครถ้านมันผูแล้วไม่เห็นไม่อยู่ทีนงงานตัวบวชเห็นเป็นเสียบไว้เดือนครับรวมถในการทะเกัอกท่านเอาก็บี่ท่านเป็นนั่งหลับตาภาวนาพุทโธสัมมาดาลปุณ แกรนี่ก็ไม่สนุกแกร่งหนตัวของหลวงพ่อเอกคือไปนั่งทำลมสงบหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละันนี้แหละมันง่ายที่สุดกมาดลมหายใจาเอาอาหารก็มาดูลมหายใจองนิดมาลมหายใจอาปาณสติกมูลมหายใจวมรมแล้วนับหนึ่งสองสามก็มาลมหายใจลมหายใจมาตึงตรงวางตรางอันนี้เนี่ มองเห็นกันได้นี้ยมองเห็นไหมที่หลพ่อเขาทำ่นมองเห็นไหมมอห็มตตาลูกศิ้ย์ไมเลยทุกคนู้แต่หลวงพอแก้มเนี่ยเปนู้สึกยังเลยเีอะนี่หมือบเนียวันนี้เราหายใจบปคนอื่มองเห็นในตีนในคอในท้องเป็นกเนี่ว่าคนนี้หายใจดูเลยแต่วันเบื้องงเมตตาใจมันเค็มเหไหไม่เห็นเลยดูอ่าดูลมหายใจกันัด้แต่มันไม่จะเป็นลูกปแกของมัน มันได้เป็นลูกของมันจริงๆนะมไม่ทําคนขึ้นไปดมันรู้สมันหายแก่ดรู้มันคิมันรู้สดงรงดึงยัไปอนไยเรเีัน้มลักจับขึ้นไปนลนันเรื่อที่เป็นองนเพราะรูสภาพของมันจริงแล้วมันก็ต้องไปเลี้นต่นของสภาพมันจิง เคยได้ยินว่าเขาจะเจ้ากินได้จัดสลูอเอาขันไปอธิษฐานตามที่เรียนามวางผเนแ้ะขันใบเมี้มันควรกระเสาของนาถ้ากินโบได้จัดสลูนั่นให้มันไหลไปตามกระแสของนางดนั้นคนเราจะซื้อโได้นามไปติดบับเวลาเลื่อนเป็นคิดนะอย่าไปห้ามนะเอาควรกระแสคนคิดที่ไปซื้อได้อ่านาเหมือนั่ากัเป็นคิดัไ ห, ห, หลจะตลเลา ยินจิตคนนั้นตอนแรกจอดยา่ยนพ่อบอกไปว่าจากสงฆจิตแต่ห er ูยังไม่จิตไม่เห็นจะเกือพอดีมาเบื้องอันนี้วพ่อเก่าวตแล้วแบบดูเลยเต็มอันนี้รับรองว่าทุกผลเป็นอยู่ถึงเงินแต่หาก็ระเด็นเงินนี้แต่บอกขาจากระสก้อนพรกเคยพูดเคยสอนกันไปเบิ้องบเจ็บใช้ได้ด้วยวะตั้งเสกิมันเลยเยอะมันตายเนีอยตั้งเสกิลมันเลยเอะ จะมาตั้งสติบนอย่างที่มีรู้จักพอวาเจ้าปันไหนแม้ไหอกันแม้แล้วคนบกเคยได้ฝึกมีที่รู้จักยังไงไม่รู้จักแล้วคนบกเคยได้ฝึกแต่ต้องมีคนร้อยให้ฟังกันอย่างที่ห่งพ่อวาเนี่ยให้หลวงเข้าสู่สัทธาหรือทาระเดินประมันทีนี้อาจจะรู้จักตรงนี้หรือจ่รู้จักตรงนี้ก็ว่างสิต่อตามเพื่อได้ว่าคนทุกคนมันจะเข้าสู่กับคาาวร์โดยของมันทจริง เียมันหุ่จักเดีวนี้เสแล้วมันหู้จักเดียวนี้เส็แล้วมันก็สบายกันงว่านี่แหละบ่มีซุกบ่เจ้าสั่งว่าบ่มีทุกแลวบ่มีทุกนั่ันเข้าสู่สภาของมันแล้วมันจะมจงันทุกข์เพมันยู่หัวได้ยืดตามปกติมันไม่ได้ยู hit, ่สภาของมันมันกำมีทุกมีซุกแต่แหลบคนโดยอันนี้ของไหนนั่งรับรองไว้เก็บอกเก็บไวอกเสียหลวงพ่อรับรองไหถ้าทาอันนี้แหละถ้ามันติดฟอกันเหมืโซเนี่ย ย่างตางเตียงย่างต่างเตียงย่างไรที่สุดเนี่ยตั้งแต่เรื่องหนึ่งคือเขาสุดจริงับลองรับรองจริงนะมันมีคนรับลองเนาะยันรับรองจริงว่าถ้าอยาไม่เรยู้อะไรจากอันารย์เนี้ยไม่เป็นอะไรจากย่างเลยเอาไปค่าอะไรให้ค่าเลยโม่ต้องสงสัยโม่ต้องไปเรียนรับถ้าใหญ่จิ๋ดแน่นอน ตัาพระใจปิดกเนี่ยเไม่รู้จักต่างเนี้เขาไปดูตัวคนเนี่ยตัวพะใจที่ดกตพระใจปิดกเาเท่าลเขาว่าเรื่องคนเนี่ยเศรลกนี่ถามเขาว่าเรื่องโนเนี่ยถงไฟถึงด้กเขาวาเรื่องคนเนี่ยาไม่รู้จักกูเลยเนี่ยเนียเอมากไปเนียน่น้อเนื้อมันยนี่ยแต่ทำมันย คนตั้นแต่ฉันนนาป็อนา่ะไรทำใ้ใจรู้เสียอที่เราเนี่ยเ็เคได้เห็นบกเยได้จับเาสไหนเพาะัน่บสดลาสะกดนี่ผู้นั้นของจักแล้วของบุญมุดจับกล้วนี่ยะว่าไมันีบมุจับอกเ่พิตาอยังงินขพิตารแต่เงินเงินเแล้วองเนเขาพิตาาหางเงินเินลพิาาเลยแม้ เราหิ้งเงาะแตงมาหงงมตานี่ยเขาคิดจังเขาโกหกว่าแต่เขาเป็นที่หวหน้าหน่วรหิ้งเงาะูรห้งเงาบงต้นเดี๋มนคิัเบื้องต้นอยากว่าผู้พันเป็นย่งไงเขาบูร้อันนี้จะคิดจังเบื้องอันนี้เนยอันนี้เป็นทางที่จะไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าสูตชาติอันนี้เนี่ยท่เกิดโมตายซื้อเราก็นั่งไปสอาว่าโมเกิดโมตายที่ไหนรู้จักเลย อย่างไปซอกคัะบนยกเตาโบราณตีนยของคี่โบนีเราไปซอกไกลคม่ไชจากตรงไหนเป็นนั่งหลับตาด้วยเดียซอรถ้ย น, น, น, นั่นตรตาบมเห็นชื่อนี่นะมันคิสุตายดีย่งนี้มันคิดไปอันนี้คิดมาอันนี้นดูงุ่มามหนึ่ง ความสงบอันนี้เนี่ยมันเขาสู่สภาพวิถาวะของมันอันนั้นแหละคือสงบแท้มันเขาสู้สภาพเดิมเนี่ยโยกเหยั้นบญยาวมันเขาเดิมมันนี้มันเขาสู่สภาพเดิมกับเขาเดิมกับโบทั้นโบยาวกับโบเคลื่อนตาย่นุนเสนอคันมันสั้นโบญยเขามันออกจุดในกับวิถนสภาพเดิมของมันแล้วมันกัเป็นไอจังสนะนอจังมันเพี่ยงมันมันเขาสู้สภาพของมันแล้วกัแน่นอนที่สุด ยังมีผูเ้เคยเรียนว่าราสจินตนาทิพยพอได้อ่านคือคุณโญอไปให้ อ, าอ่านังนั่นว่าัวนี้เนี่ยเป็นเป็นผู้หรือหนกเลือดหัง ป้าก็เดกาีต่เด็กกเด็าต่เกก็เด็กกมแ่มาแตเด็กมาแต่เด็กกเด็าแตเด็นกเมา่เดเาแต่เดกก็า่มานกกเก็่เกดาดก็ดมแต่่เ่กเกาก่ดแต่า านนคือคนมบกเลิกบกเล่าดเจ็บบตายถ้าสาวกทุกอมมีกรสุึเท่ากันนะถ้าบนเล่ก็มีคนสุึเท่านั้นเล่กับุ่มีทุกเท่ากันนั้นสาววกทุกคนบ่มีนิ้วบุมีสมัยเน่ยพราว่าจะซื้อได้่าตามคนตีใจเนี่ยว่าเอาคนเว่ากองผู other, nice 응้ิาวเลยแบบนี้วาซื้อเเนี่ยมื่อกีนยมมีสมัยจังไหนขนาันีคนี่ย คันมีคนอยู่เมื่อใดคัานมีผู้มาแน่นาไม่หาข้จักวิธีแล้วเป็นมัดทุกนุกทุกสมัยว่าได้ไปนูุเที่ยวกับมันต่ทั้งหมดเลยเพราะคนมันที่ตายจยะทุกคนเนี่ยมันแน่นอนที่สุดคนตาย่ยสางแต่ว่าตายหายจากตายสาตอนนี่จริงถามเนี่ยออกพวกตะเกีบไปย่ยวท่านนึกเต่านี่ครับดียูสองคนท่านตายก็ได้จากคนยังมทุกคนนะตายไปแล้วสามคนเนี้ยลูกเราก็ยังตายคนเหล่านั้ อย่าสัวว่าจะผู้น้อยที่บตายผู้ใหญ่ที่ตายหายะรอน่นี้ือนี้เป็นเร่องแต่ลอยนึงบะนี่อย่าพถามลูกศิองคนตายไปแล้วสามคนในลูกเนี่ยตายคนพกกอคนแม่ได้อย่าไปวา่าจำเป็นพูดเขาพูแกที่ตายคนูนุ่มบุแม่นนี้พูดูกชายคนกะลเลยเรื่องนี้เนี่ส่วนศึกษาหเหอันนี้เนี่ยเป็นลูกแท้เป็นสมบัติของเขาแท้ ข้าหาที่ไปหันใจแท้ดีบ่มีจากคนจะรีบจากทางอันนี้ไลยพระพุทธเจะาจว่าสอนว่าสัจจะเป็นของทีง่แท้เรียกว่าสัจจะแท้ อ, อันนี้วันนงพวกคนจากคนแล้ววันนึผู้ใดมาพบอันนี้ตั้งแต่เมื่ออย่างน้อยในปัจจุบนันทุันบาศ บ, าบา่พบแต่อย่างน้อยในบาศ ท, ที่ตายแบคุเลยไปเอาใหา้สังตูงให้เจ้าเบิงธรรมศาสของมันเด้อ เมันที่เขาสู่สภาพของมันเด้อวางเรื่อกับผู้มีปัญญาของสังหรมอที่หายใจปลาเขาก็มืนอที่เขาสู่สภาพของมันโอ้อันนี้เด้เอะไรต้นเอ้ตกกระไดไปชนอะรบุแม่ตกกระไดไปแทงเลยฟังผู้หูจักมาบอกรีเนีนเด้งอันนี้วางให้สังผู้หูจักแล้วมาบอกรึผูู้จักจำไหจำบุญหจับร้ที่รบูจัมันมีอยู่ในเฮาด้ต่เมื่ที่เขาสู่สภาพของมันจะแทงี พอได้ดูเขาสีส่สภาอองมาแล้วให้ว่าเกิดหมันนี่ยะบมีเป็นไจด้ายโอ้โหมันจะถีบรถคูอง่างอยูข้างโอ้สร้างเต็มที่โบมังคงคิดละลานี่นะหุ่จักเต้าไ่เจ้ามามันคิดต่หุ่จักมันคิดแต่หุจักเล่นแต่เป็นอัน น, นั้นคะู่ซื่ะ โอ้ลูกมันแก่ลูกนี้มันสอันทุกเขามูมันนี่มันแลทุกงูมันนไข่ออกคุณเราเนยเขาในีเขาใหไปเลยพอลงพ่อเรยนมีทุกขนาะทุกเวลาทุกวินาทีพุกลงหายใจมัก็เหนีโยงส่นอนอยู่พดีก็เห็นโยงใส่นั่อะไรก็ยังไ่ย ันเขาไปนั่งสงบมีผู้เดียวนั่งสอันังกแม่นี่ือคนเล่นตรงนี้สมบที่มสองอย่างสงบแบบมู้จักอันนี้สงบแบบมู้จักอันนี้รงบแบบมือจับไม่สงบนี่ไปหงายอยู่มู้จักคิดตัวเองคิดตมันคิดไหลแต่ยังมืจักนสภาพเอากระมู้จักสั่มันเป็นองไรนะมือจับบ่ได้นึกได้คิดจริงย่าไปไปคิดจิงที่มามาเราให้ฟังมัน ทียังใจว่าคิดมีเพื่อให้ผู้มือเขาจับมลูึกตัวชื่นตัวว่าจะรใจมันคิดให้ผู้มือรู้จักยากเข้ากันอย่างผมคิดมันคิดแล้วกสร้างหมือนแลวมันอู่อนเท้านะีอย่บนผู้มือเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นัวน้ำให้มันไหล อ, อกมานามนะผมคิดแล้วก็จะไปหาั้นมันคิดไปจะไปยัง ม, มันไหลไปผ่านไปไหลไปผ่ปปานไป หคิดเด้มันก็ไปถึงต้นอดยต้งผคิดแล้วไม่ไปถึงต้นขคิดแล้มันก็เห็นสภาพผมคิดบูคิดเรื่องต่งๆเขาสู่สภาพของมันเสมมันเขาสู่สภาพของมันเนี่ยเกิดหลงคอไว้หลังน็อตน็อตกับแหวนรถรถบุตมันวิ่งมันเกี่ยวกับแหวนพันเข้ากันมันเขาเม่อวานพันเข้าบังคับเขาสัญญาที่รถู่กับวิ่งได้เลวันนี้มับริสุท ขัด่มหนื่อยเวมบรัดั้เอาส่วนเทากันทุกคำเก็ืียมมันยืดด้วกันได้เนกัเพายกมาไวัอญาตาพิเศษวิญญาตาท่สองบวตัวกินตาเห็นห็ฟังเสียงยึดไปยึดไปคือเยอะจงโยมมันเกลียวยมัะหันเข้ากันไหนว่าบริสเบยไปขัดเกลียวตรวนี้เอาเข้ากันเข้ากันตรงนีันืดหน่นด้ันี้จะเร่มลกบแต่ลดเฉย อันนี้ก็คือกันเบื้องตัวคมคิดเนี่ยมันอยากที่นนจะเห็นอนันตสืบมันเป็นแล้วว้ลอ น, นันต์เหมือนวอาอ น, นิพีดทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาจุีทั้งหมดเลยแปดมื่นสี่พัพันธะมค์นั้นรวมจุดนี้แหละด้วยากเตือ น, นอยังสุนรทรภู่สักตายไปแล้วบางทีอาจจะรู้อายุเก่าโบราณหรือคื่รู้อายุบราณไม่ ถ้าหากรู้อันนี้แล้วผูสงสัยแล้วตายแล้วเกิดโดยด้านฐาบบสงสัยแล้วผู้ปฏิจจคุณบอกแล้วตายแล้วเกิดระบม่นําสอนของเสกเจ้าตายแเแต่ระบบนางสอนของเสกเจ้าแต่ก็ไม่มันไม่ถึงตายไม่ถึงเสกเจ้าตายแล้วเกิดตายแล้วสูงตายแล้วลิงหางแต่นั่นเป็ขาที่เห็นบอเคยถามหลายคนเลยเนี่ยออกซคลิก นี่กี่ปีแล้วครับสามสิบพ่อเยสอนเรื่องอะไรที่แรกที่สุดคำแรกที่สิดจำในบจำบัวได้นีอจะสามสิบปีก็เป็นจาบัได้เยพระพุทธเจ้าตายไปได้สองไปได้450สี่ร้อยห้าสิบปีคุณนะนั้นได่มาเกียนหนังสือไว้จารึกเป็ น, นพระธรรมวินัยไว้เขาที่ไปจำในบทต้องใช่อายุสามสิบปีน้ว น, นะพ่อบอคําแรกที่สุดปจำบัได้ไหมพระพุทธเจ้าบัได้บอกว่า เชียนมันซื้อตรงนี้ผมจะบอกหน่อจะเป็นบอกใ้สำคัญเรื่องเช็คระเวิดที่เจ่เลยซื้อมีเกอฑเอาซื้อย่างพระัญญคปยาญญะหรือยุ่งกับพระิเาเออแล้ววานน้าใ้ว่าจะไปสมัยเป็นรักปัญจบริจังห้าเคยฟังเทศฟังธรรมเคยฟังมาหลายเรื่องจาได้จะมีจําวได้จบ้าพระพิเ้าตัดกรรู้แล้วไปโตเถ้าสไปร่องใหสังทำเนียไปโูดสำเนีย นั้นเ่าจะฝังเนี่ยในที่อ่นานเ่ยะเาสะกอส้อนฟังเขาเอานีะกอ้อนนะรู้กติว่าคนมันเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วการรู้จักทีกเปนอะไรเกิดแลวตายเร า, า, เ, าเข้าหลุมสิ่งสิ่งนึงเ่อที่มันเข้าสู่สาภาพภาวาของมันแล้วอะไัเนี่ยเปนของจรงอันนั้ น, น, นคิดว่าที่คนมีปัญญา เคยได้ยินที่จากเธอบอกสั้นอก็เลยงสะก้อนเสีตรงนี้เขาพจายาบอกให้ฟังสรงพจะเกิดอธิบายให้ฟังและจิตใจก็คอยโน้มเอียงไปกับคนที่ผมทีเจ้าการเลวมันคิดมาแล้วไปัคิดมาแล้วันการเลวแต่อออันนี้ละว่ามันเปเข้าใจต้นตอของคนคิดถ้าพี่เจ้าเทไปสู้จุมันก็เลวผมก็ไได้เห็นที่หมัน มีกี่มาเราส่วนมืกระ thon จะส่วนมาเข้าสู่สภาพของมันโอ้ที่ว่ามีคมสุดเข้ากันกับพระดิเจ้าหนึ่งนี่ยหอมเลยบ่วมีผู Sung ้ใดสบายน้อยบ่ว <fruit> มีผู Punk ้ใดสบายหลายบ่วมมีผ so ู้ใดสุดน้อยบุมีผู้ใดสุดหลายเข้ากันมั้งกับพระดิเจ้าแต่ส่วนปัญญาเนี่ยคือบทกว่อกันผู้ใดเรียนหลายก็่าที่หูหลายช่วงขวงผู้ใดเรียนน้อยก็่าทีู่น้อยอันส่วนนี่แท้เข้ากัน คนจนก็มีคนกคนรวก็มนื <kill> <heart> ่มคนดีก็มีคนดคนไม่มีคนต่นีรวะไม่ดื่ม่าจะเป็นอย่างน้อเลก็ที่รวยข้าต่างเพราะเมื่อเข้าสู่สภาพบดิกลับไปทำร้านี้ว่าอยากเป็นอของตกใจเลยเนะเขเยจปตกใจเนี้ต้องจรงยทุกคนไปนี่มีแนรยคนตายแต่ยังไม่ไปตายอันนั้นตายดีสน บุญไม่ายได้อันเนมาสายเอิ้นมาดิผานนี่านเป็นที่บุญของสายเมืเขาสู้สภาของไั้อนผานมันเขาสู่สภาของมันจะเอิ hmm. ้นผานไหมันดีาบุญววผู้ดีกับเขาสู่สภาของผู้ดีขนาะผู้ตายก็เขาสู่สภาของผู้ตายเนี่ยที่มาอผู้ดงบนผู้ตายสุดการเล่นตัวผู้ดีกับผู้ตายผูวนี้ม่ใช่ดียับเขาสูสภาของใคร มั<บ> <PTSD> นก็บผู้หญิงบุขายซะนะผู้้าวกับเขาสู่ศัารูของท่านค่งนี้กัเขาสู่สัารูของท่านท่นบอกว่าอญยาทิปอายาตนาทิปสองตายเห็นโรคยางไม่จับว่ามันปวดดงงามเยอะฟังเสียงยังไมจับว่ามันม้วนเมืนม้วนเน้อฟังซื้อทีไรเราซื้อได้หนักไปฟังคือมาอยู่กับอันนี้นี่เด้ออันนั้นมันก็บุไม้จับเพราะมัอยู่กับสภาพอันนี้มันอยู่กับธรรมชาติของมันอันนี้แหละที่มาวาให้ฟังในกะบบเอื้อท่ มันมีแค่ในเฮานี่เคสใส่เฉาะผิหมายบ้านเมืองนี่งัเขาไป็นคนิดนแวนี่มันกิอยากเข้าไปในคิดคิดแล้วก็เคยเลยขาบนนที่ดึเอาเน้าเรื่องมาให้ที่นี่เลยคิดแล้วก็มกอ้นเอนี้มืออันที่นูนเมื่อคนคิดนั้นมันใส่โยมันน้อยหรือว่าเอาคนขึ้นมนคิดแล้วมันยกเอางี้มันก็เลื่อนออกไปิ ต้อนแล้วต้อนหว่ดตมคาตสัมโอ้ไินี้เนอเนี่ยพอไหวตแมวกับงูดูที่เยาเียแมมันัดแล้วก็งมันก็ตัหงทีู่เอามากระจับตักเอาโลที่เคยนี่น ะ, ะูเอามากจับตักเโลทคนีอันนี้ก็บคเราที่จะ้ปรโเพื่อทิ้งปโยชน่คือเนี่ยมันคืออยไต่คอยไต่คอยไต่เวลาไปเห็นบนที่สุดของผมคิดว่ะ ขขบบปป เ, เขาซื้อสัวากโดยปกติธรรมดาไม่ใ่ที่มนเี้คเราเคยได้ห็นได้ังดูไหมถ้าเขาทำได้ไงยังมียูอะะ้อีกทำไมนักพล้งทางก็มีมยมู้ไปมาไันนี้พิกูหรือคาวาสที่มาต่างต่างเนี้ยว่าพิกูที่เลยชอกันพระอรหันต์กระบว่างจากโลกนี้โมแมนอันนั้นนี้พิกูเนี้ก็หมยถึงหมดเมล็ดพืชผลเลยเนี้ย ให้บอกนี้แล <made> <ED> <min> ้วยืดโดยชอบแล้วมันดโดยชอบยืดแต่เ้ายืดีสติหรอยืดโดยผูมน่แล้วบูคิดงว่งเนเนี่ยแวยดโอบแล้วอยนี้แล้วด้วยดีเนี่ยเฮ็ดไรเฮ็ดมากต่ดูดเนี่ยคือขายแต่ัูดีเนี่ยดูดีเนี่ยมันยืได้แต่ดูดันที่ยมันยืต่องอมมันจะเป็นระน้มันจะเป็นโลกยุทธภาพของมันนะเนี่มันก็มีทางไปเลย กไปไปไปมันก็สุดางไปโอ้อันนี้มนะันสุดทางอันี้มนกะ็สุดสภาพของมันสมันก็ยุ่งจากถึงคให้คุณมาบอกหู่เม่อพระพุทธเจ้านะ่งบอกมาเดียวารามะนี่หนของเรายัางมีอยู่ถพระอหันบววนจากโลกนี้แลูดอรยิ่งดาะพันบนวนจากโลกนี้ธรรมะที่ทางดาวพฤหัสอันนี้นี่แหละอันพฤว่ามันเข้าสุสภาพถึงมันมนี่แหละ คือคุณหาวาคุณเขาเนี่กวาน่วน่ยพ่อเคยไปาค่ะพี่พิสุเสตเมผุนขาดจากควมเป็นพิสุเจตุรักของเขาละกของคอื่นราคาบาทมีห้ามาตกมาตกมีอยี่สิบตางอันห้ามาตกกบบาทหนี้งขาดจากความเป็นพิกุขาจากขาดจากคมเป็นพิสุ พูดพอิตาเลีนมนษย์สาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ได้ในตัวแล้วกับาพาดจากคนที่สูงเนี่นั้นแล้วต่ำตัวตู่นี้อะรแล้วการอควาเนี่ยเอกำเนียะไรม่ต้อง็นมติได้ตอนนี้สึกกาไรถึง น, น, นี้คืแล้วเขาไ่รู้จักทางไปที่แล้วเราไปยูงห้องนู้นง้นี้จักทางไปทังไหนเราไต่ไฟขึ้นมานอป็นสว่างไ่้วไปนอนไรามีจอะไร ให้เาเล่าเรื kind of air, p p ่องบปเรื okay. ena, ่องบุางนี้กับเครื่องัห้เเป็นเรื่องเื่องกันให้เขาไป็นไม่กับอะไรนะบุญกจะเเกี่ยวในทางเมีปนญหานีเมาแต่ไมีปัหาห้ามรือหานละของเขาเป็นธรบัตรบาลสิทธิ้ะทีปฏิบัติรู่จักร้อยทั้ง หลักฝั่งนี้ตังหลับตำราเป็นปริมาณห้าผมาตั้งเ9้ารอยเ้าสเ้คนณี้ผก่เจ้าจะไปงได้แต่งงานเ่งนี้ตนนัว่เห็ว่ากัวผเลยแต่บจากเนี่นนยนะยะนี้นะห้าหาคนทางตรงนี้ตัวทำาัวมึติใจตื่นใจแค่มันติดต่อกันเลื่อนไปคันคุ้เขาอ่ะ เอาเจ็บไข้ได้ป่วยมาที่ตายแล้วคิดว่ามันคือมจักรวงหน้าจากที่ห้ามจักมัมจักันคือจักมันคือมุจักมัคือจักนคักนอจักันคอุจักบันคือมุจักมันคืมันคือมุจักมอมุจนคจกมันคือมุจักมอมุจนคนี่อกอมันที่ไุจักมันคืมันคืมันออกอจกกนันค อันนี้เนี่ยเนมาอได้ยีคำยกแต่จะได้เห็ีนเครื่องเปลียนสายยผู้ใดบ่มีคำแล้วก็บ่ได้หมายซื้อมาแันทานแล้วมันยืจัเเดีก็เปลีนตายจะแต่งยืดจับคืมันกิดขึ้บมจักเยจักบุ๋ับต่างนีผู้อื่นเน่พอวาวนี้บ่ได้เอาขอวากับผู้อื่นมาวาเลวาเรื่องเป็นอย่างไรพอตงหากนี่แต่คนทั้งคนเนีเราะที่ว่าคนทั้งโลกนี่ะทั้งโลกนี่โดก็ฉพาะเาที่่งขายในทั้งโลกเนี่ย แต่ต no oh. ้องมาประสบอันนี้คั้นี้นยวพอจึงว่าบัได้กำหนดเรื่องศาสนารับรองว่าใครมาปฏิบัติเนี่ยเาะปฏิรับรองแง่เหนวนี้โมต้องแงอื่นอื่นแง่เนียวอันนี้อาจจะมุดจักเลยออกไปสมุดอาจจะไปติดสมุดจะตีนี้อาจะไปติดสมุดขั้นตอนน้ขงให้ใน้นี่แล้วสมุดติดสมุดใครจะรีคนจะทำนี่แหละใั้นตอนนเข้าสู่สภาวะอันนี้แล้วคือหมดแล้วถามไปให้ได้ทางไปแล้วไม่ร้แย่ไหน นี่ันดอนเนี่ยมอนานี่นันดอนนี่เขาบุ้าจากอันนั้นเป็นอาสาเนทีว่าเข้าสู้เนครับแต่กับพเจ้าข้ใช้เ้าหน้ี่ันดอนนี่เว่ากันอะไรีเราทักทีอยื่วันนี้แล้วอี่วันนี้เดนนี้เนี่ยอันนี้ันดอน่แค่แล้วเนี่เรื่องแค่นี้เองาันนี่เขาไปรีคืนรีบนแก้มปัญหาเนี่ได้ครับต่าร ผมก็อยู่แล้วก็มาตลอดนะทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งได้ยินในทางปัญหาบเรยว่าเรื่องวิญญาณองทว่เราพูวิญญาณตายแล้ววิญญาณไปไหนาแล้ววิญาจะเกิดไม่อะไรไม่ที่หนพวกพูดเลยนะฮะพวกฟังมาแล้วนะที่หลายที่ของไป นอนตวหัวนอนตัวดูเพืแนีละคนแล้วกัาเร่องอะไรเร่อ้นฐานพอเป็นนักบวชบวชหลายบวชหนึ่เราเรืองงานทะลุเราไปมาไปเรื่องท่เราไร้่ลงอศาสนาพวกเรื่องประเด็นห้าพันปีทั้งเรื่อนี้ศาสนาท่านนันเพิ่งไปได้ยินมาจะใส่กระเบื้จากเรองนออเรเรื่องปได็ห้าพันปีิเนี้เจ็ดเนเจ็ดคือนร มูม้จักทางไปเลยทั้งวัคนยังก็ไม่ได้กินเขาไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินเนื้งแล้วพรกมันมูม้จักทางที่ไปเข็นเนื้อไปแต่โซดีไปตาบ้านหนึ่งเขาเรียกว่าตำแต่ตำค่ะไปซูนอะนนั้นกัดกโนรถพอมู้จักลกูกเมื่อมู้จักพอเม่์มูม้จักลูกเมย์มูมจมม้จักเมเยให้่ามู้จักกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวไทําตึกรัดกินกรโดดกนดีูเรเด็ดวันเจ็ดคืนเลยั พระพุทธลูกใหโลกนี้เบนนี้่เป็นพระพุทธลูกไม้กระด้ำตาพระพุทธลูกทองกระด้ำให้ว่าพระพุทธลูกจะเป็นโลกอกระด้ำตาเี่นเหมาะไปโยนบนหั่นน่ะบนใดบ่เขีเลไ่รู้ท้อหรือจะเอาทำมือหักถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโยนนี่หน่ะพระพุทธูกเนี่ยรลมีหัวหนยที่แบบที่เป็นรูกวัถงมองเห็นกว่าใหญ่เยตุ๊บไม่ใช่ยิงจิตยิงงานพระมูลเจ้ายื่นกับพระพุทธลูกทอบกระเ็นงานเน่ยเจ้ละองละอง ไม่มีโมตัวนเข้ามีโยมตัวนเข้าเลยสเร็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเปิดโลกเป็นเจ็วันเจ็คืนผู้ใดไปฟังธรรมความทั้เหื่าผู้ใดมีปัญญามากที่ได้เป็นศาลผู้ใดปัญญาไม่ลงมาไปยิ่ได้เป็นพระอนาคารผู้ใดปัญญาไม่ลงมาไปยิเป็นพระสัพพิจาผู้ใดปัญญาไลงมาไปยเป็นพระโสดาผู้ใดปัญญาไม่ลงมาไปยิ่งได้เป็นมือผู้ใดปัญญาไ่ายิ่งไเป็นปีนธรมดาธรดาเนี เขาาก็จะลุกให้เรามันไม่ติดก้มหรื้มาหยอดีอดะไรพ่อไปู้จากอะไรเออพอว่าให้ฟังเลนะนีไม่ตกนี่เนี้ยเขานรูปเคมาซีเนีรูปค้าเนย่งพอว่าให้ฟังใหันอยู่นานานก็ได้ลากนี่ก็นกคมันเขาใช่มันเป็นตัวตนมาให้รู้จักีรู้จักนีกหนได้กู่รู้จักอะไรหมด แอจากนนนได้กน้นแบสบ้งวก็ด้กทอหกรม่ยรู้เน็่ยันนแลาจะูเน่ขาะรู้มันมีตอนนี้จะไปทุกภาอนาูนี่เนียนี่ย่นนี่นน่เี่นน่เนี่ย่เนี่ยนนีนเยย เขาเข้าใจว่าวางผลบางคนว่าเขาเข้าใจรถเขาเข้าใจหลายเขา้าใจไมอยุคลัได้บนี้ก็เลยให้ไปให้ไปนตะ่ัทธาไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้เป็มพระพุทเจ้าผมไม่พระเจ้าแต่หู้จักการพระพุทธเจ้านั้นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าถโอ้หลวงพ่อไม่หงายจิตใจคนไปคว้าสุดฝนไปที่เขาไปหงายบนเขาไปหงานก็บู้จักแล้วบอกเออพูดสุดฝนสุดอันนี้เราวินงาย ยิงงานไปวารู <nee> ้ตายแล้วแต่เข้าทองหัวขุนนี่เอ้าคนนี้จะไเห็นอะไรน่ะแค่างถึงพวกเมกี้เนี่ยสาบปีบก็อ่า้จักจะไป็ู้จักยังสาล้วสาก่อนยังไงแต่บอของคอันนั้นพระพุทเจ้าบวกให้ตอนให้หุจักปัจจุบันนี้เลยหุ่จักปัจจุบันอันนี้ขันจักอันนี้โอ้ยไปสใจมาสาลวสาก่อนจนใจหยังไมันจักออันนี้รับรองแค่ได้หู้จักแค่เท่านงไม่หประา เอาทุกเดือให้ผรู้สึกอะไรไปหนึ่งทุกแต่หากินด้วยถุงพาอะไรกระาหากินไมะมันกิรู้จักอยังน้อยเรื่องโทระโมหะโลภะดิจิตจางเลยบ่เดียวดิจีตจางเลยจะไดหกุดกระติ๊ให้วางอ่าน้อยที่สุดลดเอาเงินสีจะเป็นสีแดงกระร้างสีดำกระต่ามเงินคุณภาพร้อยเปอเ็แล้วผ้าเผาไหมๆเนี่ยอาไปยอน ดำมืดเรือขาวบ่มีั้าเป็นสีดำถ้าเป็นสีแดงกับผ้ากะแดงมืดที่ขาวบ่มีมันเปลี่ยนสดเนบ่ีมั้งมันนีน้ำซีน่าเต็มกระป๋องแค่เป็มมือไม่บดีมันมาทาบุญที่แค่ปริมาณนั่นเฉยๆปริมาณมันเต็มกระป๋องเอาไปยืมผ้าขาวยืมวัดยืมวัดที่สุดให้วาบบ่มมืดแบบสีขาวบ่มดแบบนี้ทำอันนี้เรื a, ่องโทสะโมหะนะพจน์ชื่แต่ขนาดนั้น รับหลอมได้อันนี้ถ้าทาไปแล้วบางทีนอกจากนั้นจะเล้วเ่ยวที่เป็นมจักคุนสมุทติสวรรบ์นี้มุจักเป็นขั้นตดต่อนังสือธรรมาแบบนี้ตอ้มจักลุกนามมุจักสมมุติว่าบูรณาาสนาบุทศาสนาจบถูกคุลถ้าไปซอมาลงตอุจักต่อนีแหลงตอนเจ้าลงมุจักลุกหามตอนนี้แหลงลงมุจักคุณคิด่พอ พูดโทรศัพท์โมฮาโมนีเป ah ็นเรยนวทนานานี่ว่าขันที่นี่กับบัวขกนได้หเล่เรีนวิทยาการตางสาขาอย่างนี้กับวัตถุแม่ก็้ำคัญเพกาะเขาจักิเลสตัน่าอุปาทานนี่จิตใจเนี่ยเขาพบืนองอกรับตอนแรงันเนี่เนกับพหน่อยเมื่อวนเนี่ยตอนเช้าไปเห็นรถตู้่มาก็เป็นยางเดินจงจงหรือว่าเดินจ่างอะไรอย่าเงียย่างเป็น เาจะเอาสิ่งถายาติต hina, ดตามางคนที่ก็บยเห็นด้เ oh. <ind> ็อาสิ่งถายไปต้เลยของเก่าย่ากับไปกลับมาเรารู้จักปกติือว่าสิ่งที่หมายถึงปกตินี่นีแต่ก่อนตัวมั้จะอันปกติ พันิดใจกับคาพูดกับเนื้อหนังนี้เพรเป็นปกติและผมมีสิ่งเด้แ่ไม่รู้จักเหมือนอ้นเมื่อแหงหวานเนี้อัโทษาโมหะโลภะกับความี้เดชหนาวประานกรมนิจังไปแล้วมันก็ปกติอันนี้นี่เด้งรู้จักหลดย่างไปย่างมาแล้วไม่รู้จักโอ้อันปกตินี่เปนสิงนีเนาะึนมากำจัดคิดได้ยากขึ้ียวคิดได้ยากอย่างเดแล้วไปแล้วยังปย่างมาแล้วไมรออันปกติ่า่ไปง่นา มาที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสย่างกากแต่อีกทีเนี่ยโอ้ย่างกากเล่เสียยอะมาไปติดมาแล้วมาไปติดมสงมแล้วติดอันนั้นติดอันนี้เนี่ยติดดีนี่เนี่ยติดบุญติดสิ่งอันนี้เนกิเลสย่างกาโอ้ยขมสงอันนี้นกแม่อันี้นี่ยเบนี้รบ่เดียวเรมาถักวิปัสสนาแนทางกับที่ตรงนี้อันนั้นเป็นงานทุวนทันนะท่มีดอไม่ท้ายว่า ธรงมะมาที่แถวบนซ้ายวิสัชญามาที่บนัวาทีเขานี่ยก็เลยมันรวมเพื่อนให่เป็นเพศในทีมทังคัวบาปบุญถึงจัดหมากัะมาที่จุดช ตรงกลงไมม mm. mm. ้นหน่งึงทนั้นถึงตรงกลาเนี่ทุนั้นจะถึงที่แล้วนหน่งมาแกทุนนี้ไปมากทนนั้นตรงกลางเขาไถึงเลยที่มันใช้เอย่างไน่เข้าสัมผัสกับมันแล้วอ๋อไอนมาถึงที่สุกแล้วหยางโยมีมันถึงที่สุดสะพ้อนยมันถึงที่สุดสะพอนเป็นเนี่ยคือไม่ถึงที่ดเลยพอิงที่นกันได้จัดได้ังบอกไปแล้วไมยังจัก ยังเลีกางลูกเพ่แต่แล้วองผู้จับวันนี้มันคือที่ิดอยู่ลยยาาแล้วปัญหาจอมรอบอยู่ปัญญาที่เป็นกาจัดเครื่องคิดองไรเกียรติบริยานมาคิดมาบังเนาะของน้ำฟางของบัเด็ดนกน้ำบ่อเขาใสาแล้วไม่เห็นตกหวานกับเห็นโลกเขามาเลี้องนาะเลี้ยอที่แสบก็เห็นกันวะไม่ค้มทมาเห็นมันลงนสายเห็นได้อันเนี้ยใจมันเห็นใจมันหู ก็เลยเข้าใจตัวคาสอนของคุณเจ้านี่เรามายอมจุดนี้อันสอนให้ทานรักษาสิ่นั้นอันนั้นเขาเจ้าสอนก่อนแล้วนะถ้าคุณจะดับสอนเพจุดเดียวนเนี่ยอัน้ว่าขยะใดๆหรคนนี่มันจิไปเนี่ยมันจิตไปหาคนตายเนี่ยให้หังรู้จักคนตายเนี่ยคนมาตายเสียคนตายอยรมารู้จักเงินเนี่ยรู้จักเนเข้าสู่สภาพเดิมของมันเนี่ยผู้หญิงก็จิตเข้าสู่สภาพเดิมนั้น พูดภาษากะีเข้าสูส่สภาพเดิมอันนี้เจ้าหมวกกะจีเข้าสูส้สภาพเดิมอนนั้นไอ้ตัวกะจีเข้าสูส่สภาพเดิมอันี้คนไทยคนคีนให้ว่าทุกชาติทุกภาษาเลยไหมยะจีเข้าสูส่สภาพเดิมอนนั้นนี่หธรรมะเป็นปัจจายแท้กันนี่แหละธรรมะม ที่ไปเขาคูอันนั้นน่ะมันก็ที่พอกจากันนะครับเข้าค si ู่สภาพ่ของมันก็ที่พ่กไปคือรงนี่แหละมันจับมาแล้วเอาน้ำปูนกับยาเนี่ยมัไปจับปูนน่ะเคยว่าให้ฝังเอาปูนกับยานี่ยเป็นน้ำเนี่ยมาบีบเสร็จปูนเนี่ยปูนมัะโดนผู้เี่ยงเนาะอาปูนมาจับเอาเอาปนเอาบันนี้เราไม่ต้องจับมันเอาปูนกับยามาบีบไปเรื่อยมันมผู้เียงหมอันนี้กัอันเดียวกันนั้นตัดเลือกนี่มันคาดชื่อของอันเดียวกันนั้น นำห ม, ม้อใต่ใจ่เรื่องเล่นแต่คาเดียวนันของู่าร์วายว่าคนเดียวตั่นี้คนเดียวนี่คนหมายคนเดียวนี่ทุกันที่ไปนี่มีแต่เป็นธรรมชาเป็นปัจจัยเทเทใค้ว่ามีชีวิตอยอู่ระเบอนู่จักรกามคือกัมนีแต่มาดูว่าจักรคนไมู่้จักรสามารถที่จะไปได้ทุกวันนี้นี่แหละไม่ไดทุกไม่ได้ทุกไม่ได้ตายไม่ได้เกิด อันน well, well like ี้แหละงานรุ่อันนี้แหละไม้งมาตายแล้วไปอันน้อันนี้ให้ายเข่รู้จักนนงเรามรู้จักเารีงนที่แต่วรรู่อันนี้แหละไม้องเรียน่ยหละปัญญาไปว่ารอบรอบรอันนี้แหละหไือรอบ่คนอื่นตายแล้วเกิดแล้วแต่กับอันนี้แหละตายแล้วกเกิดเกิดกนี่อันนี้แหละคูกมคนปัจจวเลืกหันห้าคนกระจัยผัวมาเสนอะไรดีกว่า ใจต้นมันจะการปูแกล้วจังเลยไ ด, ได้ที่วา่าจัเยได้มัดคนเดียวนี้อ า, าทีได้นำมาเราให้ฟังนี่น ก, นก่นให้จ อ, อประเด็นสำนัญเดียวว่าม่งคุมันคิดกะทิ้นไป่องไหวมืนได้ให้รู้เมืเอลแล้วกระทิ้นไปอยากไปเขาไปคุณคิดนั้นรับรองว่าทุกค น, นจะจับจุดนี้าาานนนาทายทุดนี้มาเป็นมาทําต่อตพระเจ้าเป็นแเหนียวไว้เรงมาแนะนำพวกเขาให้พวกเขาได้ม่ได้เห็น เอาในชีวิตนี้ถ้าว่ายังไม่รู้ประเ็นเหตในขณะนี้ควรจะตายดีเนี่ะให้พวกเราได้พบได้เห็นท้ายที่สุดนี้พอให้พวกเราได้พบได้เห็นเอาในชีวินี้และเวลาน้ี้ัทุกคนเร่อยากมีสมาธิเห็นบอกว่สานี่ผมผมบมา สมาธินี่ไม่ค่อยจะแน่นอนนะมันคักไม่ได้ผมอยากให้พอที่พนาพรวมว่าพวกเราหลายคนเนี่ยทต่างกันบางคนเป็นครูบางคนก็เป็นอะไรตนี้้าฟังแล้วคล้ายๆอย่างที่พ่อเป็นบา่เป็นบหต้างรียกเปยมนยอมอยู่นี่เป็นจริงค่ะแค่หียบเท่นะเพื่อเข็นพื่อเหียบเนี้ เมื่อเ่แล้วมันจะขู่การเกมขาดทั้งหรือขายาวงษ์จ้าบุกไปดีเนี่ยดูเห็นดูเห็นใจย่างไปย่างมาที่ประมาณเมืองชวนโอ้ยคุณจะเป็นพระเด้อได้หร่เหล่หาดเว่าเองเน่ยเนี่ยบุญผู้อื่นมาให้ได้เนี่ยย่างไปย่างมาทานผู้ีต้องังงงงงงง น, ง น, ง น, ง น, งนตเป็นชื่อสุนะย่างวางกลางโอ้ยควรเป็นพระนี่มันขันนี่ีเบ้ใครใครคือว่าทูละามูหาหลวงท่านศุกรุปคุ ใมันรตที่จะเบาขึ้นโอ้เหมือนจืดไปดิโอ้อ้านมาเจออันนี้ออกไม่ดิมันออกจากอะไรนี่มันมีเปนนามีดูเป็นน้ำออกนี่เป็นยังไะอันนี้ก็คือการิใมันมัถึกอ้นืนมันไทางอนไูอนีมุตแเลมันล้วก็ตแล้วก็มีสอ่งตางเยนีเป็นตัวทนี้ เเจอเรื S <S <preach ers> ่อน so ี yeah. ้แลม่อเราี่เรเ็นจ้าองพอาด้คุู้น่งเมื่อำา่ก็ทกาทะม่อทำกรรมฐานนี่เอเขาดูได้ข่านั่นก่นเลยคุณอยากเชว่าที่จะทากรรมฐานนี่นะสมมติผมในทางานนะยามมานั่งกรรมฐานเนี่ยนะจะดูความคิดก่อว่าครจะชอบทำานนี้ด้ใจริงๆ แนวทางในการที่พวกเราจะพักจิตจริงๆเนี่ยมันก็ถือไม่คุ้มค่าผมนไปางมันก็ม่ได้ประโยชน์อะไรนั่ทองก่บนหัวอว่านั่งอยู่คิดแต่น่นคิดแต่นั่นไปจะมีวิธีกำหนดยังไงที่ทำาห้เราได้คารวะน้นที่สุดเพื่อความมีสิโตัวอยู่หนึ่งมากที่สุดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้อกับสมาธิเสี่ด้วยนะทำงเนี่ยรผมไม่สูบดมดเยอนมเอีย สมาธิเปัตสอเเนี่ยไหมอะเนี่ย่คิดกมาอนสมาธิที่มานั่งองส่งเนี่ยคันนั่งสิ่งีพูดได้แค่เาเข้าแบนลทป่ทุกอย่างแบบนุดที่ไปที่ได้เล่นค้าหมดเเข้าพินาะมม่ก็ผู้เรียนจิงคนพากระปนาง่แล้วคันากรป็น่งนี้ให้ดิคเป็นเขาวนน้าดิ่งซ้วนกันแบบนี้มานแย่ย ว่าบนแมวว่ะไวสนะเยังบี้กลองฟังบุคนเป็นยังเ็ดบนนเป็นยังทหารในทุกคนมีแล้วสมัยจีจับเขาอยู่ีรบบอ้เมื่อมันเป็นตามสัญชาติยานั่นตั้งใจจับเนี่ยสมัหลือตั้งใจจับจับเงียโว้อ้จักนี่ที่เอาตัววั้เนีมุจัเนี่ยอั้กสมัยจีทกจัเนี่ยเอาเยอแต่คนรู้จักเลยปรได้มันคือการจับอะไรแ ตัวตัวนั่นแหละตัวสาคัญได้ฝึกมือจับตันี้อนอยู่คิดาอยู่ไม่หลยนั่นะสมาธีเยตั้งใจมายึดจับัิดตาิไม่่นทีจน้้ยขน่เล็กเลแต่มือจับนะนคตั้งใจโดยมือจับตัวแลสมาธิยือจับนี่นั่นแหละสมาธิเอะันี่มันตั้งใจตงใจทอะไรเออเนีนะทําคิดตาิดมาเน้อย ถ้าแี้วทมานี้แมอะเนธรมทีเกี่ยวกเจ้าธะทีบรา่เจ้าไม่รักสมาทิฏิตอนที่เจ้าตัสวีเื่อาาิใจทพว่าจะทํางจิตจิตใจซึ่นเขาไม่รู้จักว่าทาไมรู้จักทํางจิตได้บัใดมาเพื่อไหวโดีเ่องเลยเนี่ยรือยทำเนื่ เรียกเปนงิดตามง่หายใจเ่ิดีอี่อันนี้เราจะมา้กนานแต่เขาพงานนี้นยาคือับประหลักของเอราระเงือนจรนเข้าของเงือนอ่านนั่งของเงื่อนนี้ถึงมาทีกับุถุเอเนือน่นี่มาเืองนี้เนา้การูึป็นเงนีองอิจาุดที่แล้วเอียไเียากยากม่ทันเลยพอมาคิดเรืเอีย นี่เนี่ยบางละเอียดนะใ้าจะอะไรเร่โทรศัพท์มอจะไปวอร์มเลยเรา้งใจดคิดเขเป็นสมาธิเราเป็สมาธิเราตั้ตงใจเข า, าจับข้อจะเลื่อนก็เป็นสมาธิเราตั้ตงใจซักภากเขปสมาธิสมาธิแปลใช้แค่ น, นั้นพีน่ๆเลยมัาตั้งใจมือจะลอยไหลไปไหลไปบางที่ัโอ้คิดอะไรได้เนีย่ยเาจะโตนั่นแหละโตสังห เราะว่าพไตริบกสากนี่ไม่ทอันนี้สองครั้งเราปมาจากใจคิดคู่งร้างมาชื่อกปินี้ขึ้นไปเ่ากับปิกเดียวเนียดยวเขาสู้ทนัยกองปิกนี้เท่ากับเทาสามปิบกลว่าอ๋เท่าที่ล่ว่าจะไประมนึงที่ทมานะไอย่างนคเรเป็นทัยวัลจะที่ให้เจอว่าอย่างไรที่เกิ ให้เทยที่ก็ไมรับปรนด้วยอ๋ออะไน้เันเื่อจหันมันจะเลือหันโลกเยนี่ยให้บริษ i ทก็ต้องส่งบุคลเขายับริษัทจะได้เงินอันนั้นเป็นหน้าที่ของคนทำการทำงานาคนต้องทาการทางานนี้ว่าทำการทงานจะได้ินหเ็นาควรกต้องหาเรื่องมาแก้คดีะแก้คดีิสนเรีจป็างถึ เราก็ต้งทำงานต่เมที่ฟิลต้องวังในต้นอันกุ้ตนเช่นี้ตอนีโอ้ตอันต้นอัแค่หกระแทกเลาุกเที่ยวแพกไปที่เปราีลนก็มีสมาธิให้เราเสร็จเ้ือยก็ต้องเ้าไว้สำหบยังมันก็ต้องจนดานียาั้งนนีมันจะีที่เรกเป็นเนยหมดหมดที oh ่เรยจ้อ no ุต้องทางานทพ่่อบงดีเนี่ยมา้ที่ััวได้ดี พันที่เอาซื้อไปซื้อเอาซื้อไปซื้อมาเนี่ยหุ่นอากว่าซื้อๆเนี่ยูมจ๋าเราซื้อๆอันซื้อๆในเบื้องตัวคิดทีน่ะอันนั้น่เป็นเครื่องประกอบซื้อๆเลยนะอันทำรูนี่คือเครื่องประกอบตัวนี้อักลักษณะนี่คืเครื่องประกอบตัวนี้ไปนั่งสมาธิอันนี้คือเครื่องประกอบตัวนี่มาเอาตัวนี้ที่มันแตกเบือมันมาสําเร็จดตัวคิดทีนะสมันไม่มาที่เดียวบนเรื่องอันนี้มันมีแหละเร่งที่สำคัญที่สุด ้ทุกคนมารู้อันนี้เล้เยอะเป็นยาคุณยังบ้านเหนืออายุเย็นเป็นสุขเห็นไหโดยนี่คำพูดชาวจังหวัดแล้วเอาปฏิวาติแล้วมีคนที่ว่าเรื่อคิดแบบไคนในนอกภูไทยเนี่ยเแบบเนี่ย้หมดื่บอกใเขาคบภาพเงินของมันเนียก็ะไยครับอะ่่อ่านก็ถ่านไปได้แลจยังมาเป็นแบบอยากพไปหลาจังหด ดูหลาำหนกเลยบูมบาจะกเถื่อนมาจังใจว่าเป็นงานสมาธิให้จิตกเขาชุกเขวังนู้นเขวังนี่ไปผู้บุญจักตับผู้บอสบุญจักตรือ้บคิ้แค่จ้ของคิดอยู่ที้หอวบอาไม่บวชหร่า้จักมันกมหบมลบร่องมันเป็นเ่บุญบวชจากบ้หาอมันเป็รือวกเนคนท่มวห่าหบออึ๋งอึตลืมโตลืมใจ โอ้ยวายหนูห่ามืดให้เขาเมารู้จักคนคิดนี่แหละคนคิดแล้วอย่าคิดเข้าไปเป็นคิดให้มันคิดไปกรื่อยไปคิดกับนา้คิดพวกกับตามคิดซื่อรอกคิดว่าเป็นไหลไปคือน้ำเนี่ยาไปให้มันน้ำมาให้มันไหลไปตามกระแสของมันไหลไปแรอเาไม้ไปยังที่ไหลมาเตะใส่กับดุมช่าของมันเป็นอย่างนี้คือคนคิดเขาไม่เขาเี่าเสืะ มันก็มมนองไมแขงไ่าดไม่เหน่ทานี่ผคิด่าใส่ให้กจะไปซอขามันดี่มขาแล้วกันนักินักปีนา่บงคนอาไปางวั้นูกไก่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 แต่เพราะเรื่อที่ดีนี่เมื่อที่แตเอางั่เรื่องนี้จัดฟังเลมื่ที่แต่เอางั้นกจะปชอบมันแต่เอาแต่เรื่องเดีวคนทีแไปแก่เองมันมันจะเป็นเพิ่เป็นลังขึ้นมาเองมันนี่คือการโดยอที่เากระเรงนไปทำใ้รู้สึที่เรากระเรียนไปเมื่ที่แต่หมดเงินรูออมาเันจะเข้าสี่จัดฟังอไม่